จเจริญทานคือการให้เนี่จนอัธยาศัยนี่จนสามารถระลึกถึงเจตนาก่อนให้ใช่ไหมก่อนให้ที่เป็นปลูกพระเจตนาเริ่มต้นตั้งแต่ปลูกข้าวกล้าต้นตั้งที่ได้กล่าวเป็นสามารถเป็นเดือนเป็นปีก็ได้เงี้ยทำทุกวันเงี้ยมุนจากเจตนาก็ก่อนให้ก็ใจก็เป็นผู้ที่จิตใจที่เป็นไปกับสมนะความดีใจนี่เนี่ยขณะให้ก็ศรัทธาเลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจแล้วก็ระลึก ระลึกถึงเจตนากุศลจิตที่ตนเองกระทาไประลึกถึงวัตถุทานระลึกถึงปฏิคาหกที่เราน้อมถวายเป็นพุทธบูชาการระลึกในลักษณะนี้ยังความปลาโมดปีติปัสสติความสุขให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นกรรมฐานเนี่ยเป็นไหมสติที่ตามระลึกถึงการที่ตนเองบริจาคสละอย่างต่อเนื่องแล้วก็สติระลึกอยู่นั้นก็ไม่ทิ้งอารมณ์นั้นไม่ทิ้ง เพราะธรรมชาติของสตินั้นนะ่ยระลึกอยู่ในกุศลธรรมในยพี่อพอก็คือระลึกก็คือรักษาอารมณ์ไว้มั่นคําว่ารักษาอารมณ์ไว้มั่นก็แปลว่าไม่ให้อารมณ์นั้นคืออารมณ์กล่าวคือทานนะเจตนาเป็นต้นเหล่านั้นที่ดับไปแล้วนั้นนะกลับมาอยู่ในใจนั้นนะไม่ให้หลุดลอยหายไปจากใจการระลึกในลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าจาคานุสติการระลึกถึงตนเองเค่อยๆบริจาคระลึกถึงตัววัตถุทามที่ประณีต ระลึกถึงปฏิคาวหคือผู้รับหมายถึงผู้ร grid, พระเจ้าพระธรรมแล้วก็พระเดียสงฆ์ฉะนั้นการระลึกอย่างต่อเนื่องผูกพันอยู่กับอารมณ์นั้นสิ้นสุดโฉนะก็ระลึกใหม่สิ้นสุดโฉนะก็ระลึกใหม่อย่างต่อเนื่องไม่ให้อารมณ์อื่นมาแทรกเลยเพราะธรรมชาติของสติรักษาธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนก็รักษาอารมณ์นั้นด้วยไม่ให้อารมณ์นั้นหลุดลอยไปด้วยต่อเนื่องผูกพันอย่างยาวนานอย่างต่อเนื่องสามารถระลึกได้เป็น จากห้านาทีเป็นสิบนาทีก็สามารถจะตามได้อย่างต่อเนื่องระลึกได้อย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานตอนนี้จากทานธรรมดากลายเป็นจาขานุสติเป็นอนุสติหรื อ, อยังเป็นกรรมฐานนี่ยังเป็นเจ้าค่ะเห็นไหมเป็นไปแล้วเนี่ยกรรมฐานและกรรมฐานเหล่านี้จะเกื้อกูลกับฆราวาดมากที่สุดเพราะตนเองทำเป็นอัธยาศัยทาเป็นปกติทำยันเคยชิน แล้วสิ่งของที่สละหรือบูชา น, นั้นเราบูชาพระพุทธเจ้าถามว่าทำทำไมเนี่ยทําท ำ, ทำไมเพราะถ้าไม่ทําอย่างนี้แล้วจิตไม่อ่อนโยนถ้าไม่ทําแบบนี้แล้วจิตจะมีการมาฉันทะกุ้มรุมพยาบาทกุ้มรุมถีนมิทากุ้มรุมวิจิกิจฉาอุทะจะทั้งหลายเหล่านี้กุ้มรุมความกําหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงความมัวเมาธรรมชาติที่เป็นความมืดบอดของจิตก็เกิด เพราะสภาพใจที่ไม่แข็งแรงแล้วฉะนั้นธรรมชาติของจิตเนี่ยถ้าเราละลึกได้ตามระลึกได้ในกุศลธรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ระลึกได้ในกุศลธรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่องระลึกถึงเจตนาทานใช่ไหมละลึกถึงเจตนาทา น, ลล น, าทานอย่าลืมนะว่าไม่ใช่เจตนาตัวเดียวนะละลึกถึงศรัทธาทานที่ให้ด้วยศรัทธา ละลึกถึงสักกจทานที่ให้ด้วยความอ่อนน้อมให้ด้วยความเคารพละลึกถึงการาทานที่ให้เหมาะสมแก่การแก่เวลาละลึกถึงอนุขีตาทานให้แบบอนุเคราะห์แบบตัดขาดละลึกแบบอนุประหิจทานก็คือไม่กระทบตนและบุคคลอื่นละลึกถึงการให้อย่างเนืองนิดเมื่อกําลังให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจนั่นน่ะที่เป็นไปกับยานปัญญานั้น อารมณ์เหล่านั้นามาปรากฏในใจสติก็รักษาอารมณ์นั้นไว้อย่างต่อเนื่องสิ้นชาวนะก็ระลึกใหม่สิ้นชาวนะก็ระลึกให ม, ลลใหม่และไม่ใช่ระลึกด้วยจิตที่เป็นบาปเพราะธรรมชาติของสตินั้นต้องรักษากุศลไม่ใช่รักษาอากุศลระลึกแล้วบาปเกิดไม่ใช่ระลึกแล้วก็กุศลเกิดอย่างต่อเนื่องเมื่อธรรมชาติของกุศลได้มาทากิจได้มา เกิดในใจอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยกุศลนั่นจะมีพลังจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นบาปทั้งหลายที่เคยชํานาญในใจของท่านผู้นั้นก็ถูกขจัดออกถูกขจัดออกก็เหมือนกับเบ้านั้นถูกสูบอย่างต่อเนื่องก็ไปเลาะไปเกิดไฟลุกขึ้นมาก็ไปเผาลนทองนั้นให้อ่อนเมื่อทองนั้นอ่อนแล้วผู้ปฏิบัติเริ่มรู้แล้วว่าตอนนี้จิตของตอนเองอ่อนแล้วก็ครวรแล้ว ก็เหมือนที่พระศ า, าสดาแสดงธรรมนะั่นแหละนั่นพระศ า, าสดากําลังให้กรรมฐานกําลังอบลมจิตกําลังฟอกจิตจิตที่ไม่สะอาดเริ่มถูกฟอกมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมเหมือนน้ําำน้ํามันนิ่งๆก็ใช้ออกซิเจนเข้าไปแล้วใช้เครื่องปั่นเข้าไปช่วยปั่นไปปั่นมาจากน้ําที่โสโครกก็กลายเป็นน้ําที่สะอาดแต่ตอนนี้ใจของพวกเราเนี่ยที่มันหนักหน่วงอย่างเนี้ยมันไม่ถูกคําสอนของพระเจ้าเข้าไป ปั่นในใจไงไม่ถูกทานกุศลศีลกุศลเข้าไปหมุนในใจอ่ะไปฟอกจิตให้มันสะอาดตอนนี้จิตมันหยาบฉะนั้นจะต้องใช้พระธรรมของพระศาสดานั้นเข้าไปหลอมเข้าไปในใจก็คือเผาเข้าไปเผาไอตัวกระแสใจที่แข็งกระด้างตรงเนี้ยนะให้อ่อนเมื่ออ่อนเบสเสร็จแล้วต่อไปท่านจะก็แปลว่าเอื้อมเกิดสมนัตแล้วก็จะสมาธิก็จะตั้งมั่นแล้ว แต่ก่อนไม่เคยตั้งได้เลยสมาธิแบบนี้ที่ตั้งได้นั้นเพราะจิตนั้นอ่อนโยนพอตั้งเป็นสมาธิแล้วจึงเอาสมาธินั้นเป็นฐานแห่งการเหมือนมาเอาเอ า, เอาทองนั้ น, น ม, ามามามาทำเป็นเพชรนิจินดาแล้วเอามาทำเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นนาฬิกาเป็นเครื่องประดับเป็นต่างหูแต่ใหม่ๆม่มันทำไม่ได้หรอกนี้เหมือนกัน เมื่อหลังจากได้ฐานของสมาธิเบสเสร็จพระศ า, าสดาก็สอนเรื่องการตั้งในสมาธิเบสเสร็จก็ออกมาวิจัยนะวิจัยเรื่องเจตนาวิจัยเรื่องอรูปธรรม ท, ทั้งหลายนามธรรม ท, ทั้งหลายแยกแยะให้เห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็คือสรุปลงอริยสัจนั่นเองแล้วก็เป็นปัจจัยแก่การถอนตนจากลมคือกิเลสคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นนะพอจะมองเห็นไหมเราจะฟู้งซ่านไหม แล้วเราจะจิตเราเนี่ยจะหลุดจากฐานของธรรมฐานหรือไม่คือคือตรงนี้คือว่าเมื่อกี้ใช้คําว่าสติถ้าสติเนี่ยธรรมชาติที่รักษาจิตรักษากุศลไม่ใช่ระลึกเหมือนคนฟุ้งระลึกถ้าระลึกด้วยอกุศลเนี่ยมันก็ระลึกได้แต่การระลึกได้ในลักษณะนั้นเนี่ยไม่ได้ใส่ใจว่าจิตนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปแต่การระลึกที่เป็นไปทานนะกุศลที่ระลึกในด้านของจาคระนุสติ ก็ดีศีลานุสติหรือพุทธานุสติเนี่ยรักษาอารมณ์ไม่ได้หายไม่ได้ให้ไม่ให้หายไปด้วยแล้วก็รักษาสภาพใจให้ว่าให้เป็นไปกับกุศลเป็นไปกับความดีด้วยฉะนั้นสภาพกุศลก็คือว่ากุศลทําไมระลึกนั้นท่านจะตรวจสอบว่าตัวชาวนะใช่ไหมเพราะตัวโยนิโสมรสิการจะเป็นเหตุใกล้ของกุศลใช่ไหมเป็นประทัด ฐ, ฐานฉะนั้นเมื่อสติเกิดขึ้นมาเนี่ยสติจะไปรักษาจิต รักษาจิตก็คือรักษากุศลจิตคําว่ารักษากุศลจิตไม่ใช่ไม่ให้กุศลจิตเกิดดับนะแต่เวลาชาวนะจะเกิดขึ้นใหม่ตัวสติที่มีความแข็งแกร่งนั่นแหละจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อต่อชาวนาที่เป็นกุศลเพราะเมื่อกุศลจิตเกิดขึ้น่ตัวกุศลจะทําลายบาปกับทาลายอกุศลที่พอทําลายกุศลอกุศลอกุศลถูกทําลายจนอ่อนแอก็เหมือนกับกรณีที่ไฟนั้นน่ะเผาลน ทองนั้นจะอ่อนแล้วเนี่ยแปลว่าคําเมาก็ดีสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อทองที่จะทําให้ทองแข็งทั้งหลายเหล่านี้ก็ถูกทําลายไปนี่เหมือนกันตัวบาปทั้งหลายการมาฉันทาพยาบาททั้งหลายถีนมิทะก็จะถูกทําลายไปสภาพใจก็อ่อนแล้วก็ควรต่อการที่จะเป็นกุศลคําว่าอ่อนในที่นั้นแปลว่าเขาพากจากบุญจากบาปได้เขาออกจากบาปได้ปกติเนี่ย จิตเกิดเนี่ยบาปก็จะแทรกอยู่ได้ง่ายแต่ด้วยการถูกระลึกถูกเผาถูกใครควรถูกวิจัยพิจารณาอย่างต่อเนื่องอย่างนั้นน่ยสภาพใจก็เป็นสภาพใจที่เป็นใบกัคคุศลนี่ความสะอาดความสะอาดของจิตก็เกิดขึ้นเพราะถูกฟอกได้ละเอียดแล้วอะไรเป็นปจัจจัยบอกความฉลาดคิดไงความที่จิตที่เป็นใบกัคคุศลนั่นเองฉะนั้นถ้าละลึกแล้ว ถ้าเป็นธรรมชาติที่ไม่รักษาจิตที่เป็นใบกุบกุสนหรือไม่รักษาอารมณ์คือจาคาหรือทานกุศล์ศีลกุศลเป็นต้นถ้าไม่รักษาสองอย่างนี้ไว้ลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่สตินั้นไม่เรียกว่าสติเพราะสติจะต้องรักษาจิตที่เป็นใบกุกุสนแล้วก็รักษาอารมณ์นี่เป็นไปอย่างนั้นเมื่อเดินก็ให้รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยือนก็ให้เรารู้ชัดว่าเรายืนเป็นต้น หรือว่าเมื่อเดินแล้วก็ให้รู้ว่าก็ให้ให้มีจิตแล้วลึกว่ากายนี้ไหวไปด้วยวายโยธาที่เกิดจากจิตในแง่มุมตรงนี้ค่ะผู้ปฏิบัติจะถือไว้ใช้ตอนไหนจะนำมาประพฤติปฏิบัติอย่างไรคือคือในกรณีาการถ้าจะเดินเรื่องหลังจากถ้าถามมากว่าถ้าพูดถึงในหมวดของอยาบทบบนียอย่างก็มาเดินก็รู้ชัดว่าบทนี้เราเดินอยู่เนี่ย นั่งก็รู้ชัดวันที่เรานั่งคําว่ารู้ชัดในความหมายนะั้นเน่ยเป็นความหมายที่ค่อนข้างที่จะต้องมาวิจัยเยอะวิจัยเยอะก็คือรู้ชัดอะไรหนึ่งรู้ชัดรู ป, ปากายทั้งหลายใช่ไหมรูปรู้ชัดรูปปรู ป, ร ป, ปากายรู้ชัดยังไงรู้ชัดเกี่ยวกับในเรื่องของรูปทั้งหมดหลเลยมหาโพธ ร, รูปและอุปาทายลูกก็รู้รู้ชัดอะไรธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟและธาตุลม แล้วก็รู้ชัดรู้ชัดอุปาทายะรู้ที่อาศัยกันอยู่ทีนี้รู้ชัดอีกอย่างหนึ่งรู้ชัดอะไรรู้ชัดวายโยธาต์เขาเรียกจิตแต่ชาวายโยธาต์คือเวลาจิตที่คิดจะเดินเนี่ยจิตนั้นก็เป็นปัจจัยแก่วายโยธาต์ทีนี้พอบอกรู้ชัดวายโยธาต์ก็ต้องไปวิจัยแล้วเอลมประเภทไหนที่จะเป็นปัจจัยแก่การเดินได้ลมที่พัดขึ้นเบื้องบนอันนี้ไม่ใช่ลมที่พัดลงเบื้องต่ําอันนี้ก็ไม่ใช่ ถ้าพัดขึ้นเบื้องบนก็ทําให้หาวทาให้เลอทําให้ปวดหัวทําให้หูอื้อลมที่พัดลงเบื้องต่ําก็มีการถ่ายอุจจาระและปะสะัสสาวะไงลมในช่องท้องก็มีลมในลำไส้อันนี้ก็ไม่เอาลมหายใจเข้าออกก็ไม่เอาแต่เอาลมที่พัดผันไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ไอ้ลมที่พัดผันไปตามอวัยวะน้อยใหญ่เนี่ยเกิดจากจิตที่คิดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเห็นไหมคําว่ารู้ชัดลมเนี่ยต้องรู้ชัดยังไง รู้ชัดลม6ชนิดนี้ว่าลมชนิดไหนกันหนอที่ว่าจะทําความเข้าใจที่จะเป็นปัจจัยเก่การทําให้เคลื่อนไหวียบบทได้เห็นไหมไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่คิดเรื่องอียาบทเนะี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดก็แปลว่า1ต้องรู้ดินน้ําไฟลมเป็นต้นที่เกี่ยวกับรูปรกายทั้งหลาย2จะต้องฉลาดในเรื่องลมคําว่ารู้ชัดก็คือปัญญาแท้ๆเลยต้องไปฉลาดในเรื่องลม3ต้องรู้จักจิตเพราะโลภะก็เป็นปัจจัยให้จิต ให้ให้ให้การคิดเดินได้เดินได้ไหมโลภะจิตก็เป็นปัจจัยแก่การเดินได้โทสะจิตก็เป็นปัจจัยแก่การเดินได้โมหะจิตก็เป็นปัจจัยแก่การเดินได้ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญากุศลสมานัตกุศลอุเบขากุศลเป็นเป็นปัญญาหรือไม่มีปัญญาประกอบก็เป็นปัจจัยแก่การยืนเดินนั่งนอนได้เห็นไหม รู้ชัดจิตที่คิดสองรู้ชัดวายโยธาสามรู้ชัดอียบตเดินยืนนั่งนอนถามว่าถ้าไม่มีข้อมูลอย่างนี้ก่อนไปนั่งปฏิบัติยืนปฏิบัติเดินปฏิบัติคิดไหมว่ามันจะโผล่พูดขึ้นมาเองได้ได้ไหมไม่มีเพราะเรานั้นคือสาวกเรานั้นคือผู้ฟังถึงจะรู้ผู้ที่คิดเองได้เข้าใจได้ตัดสู้เองได้มีอยู่พระพุทธเจ้า ลองลงมาคือพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแต่พระพุทธเจ้าพิเศษกว่าพระปัจเจกพระเจ้าคือรู้เองและสอนคนอื่นให้ตัดสู้ตามแต่อย่างเรานี่หมดสตินั่งคิดเองแล้วรู้ถ้าให้มันเคลียให้มันเข้าใจชัดอย่างนี้เสียจะได้ประมาณตัวเองออกว่าเราเป็นใครแล้วยุคนี้นะยุคนี้นะอย่าได้เก่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือกว่าพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าเด็ดขาดเด็ดขาด ยังไงก็เก่งกว่าท่านไม่ได้เพราะอยู่ในการของท่านนั้นดูท่านท่านบอกยังไงเดินตามท่านเห็นไหมว่าแม้อียาบทเนี่ยถ้าจะนั่งคุยกันจริงๆเนี่ยที่ก่อนจะไปลงมือปฏิบัติเนี่ยต้องคุยเฉพาะอียาบทเนี่ยไม่ตากว่าไม่ตามกว่านะสิบห้าวันเอาคนมีข้อมูลมาแล้วนี่นะคุยเรื่องอียาบทประมาณสิบห้าวันนี้เฉพาะมีข้อมูลก่อน ถ้าไม่มีข้อมูลก็ต้องมาดูอีกทีว่าแต่ละคนเนี่ยจะเข้าใจยังไงเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าไม่มีข้อมูลไปนั่งเดินก็เดินมืนๆนะ ย, ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยฉะนั้นในภาษาศาสนาท่านสอนเรื่องความรู้ความเข้าใจก่อนจึงทาไม่ใช่ให้ทำก่อนแล้วมารู้มาเข้าใจทีหลังไม่ใช่หลักแบบนั้นเลยหลักต้องรู้ต้องเข้าใจก่อนถ้าเหมือนว่า ให้ขับรถเนี่ยนะไม่ใช่ให้ไปลองขับเองแต่ต้องรู้ทฤษฎีรู้ก่อนว่าอะไรอยู่ตรงไหนก่อนจึงค่อยขับเหมือนการคาสอนของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะสอนก่อนให้เข้าใจเบ็ดเสร็จถึงค่อยไปทําแต่ถามบอกว่าเอ๊ะแล้วมันจะช้าไหมก็อายุปูนี้แล้วจะทํำไงมันช้ามาตั้งนานแล้วเลยต้องรีบๆเ <c oughs> จ้าค่ะก็เลยอยากถามอีกข้อหนึ่งถัดไปเลยค่ะ ถ้าเดินยืนเป็นต้นเนี่ยบรรลุทำได้แล้วที่เราเดินยืนมาตลอดชีวิตเนี่ยทำไมเราจึงไม่บรรลุธรรมตรงนี้ไงเป็นข้อบ่งบอกว่าถ้าเดินถูกจริงๆเน่จปีบรรลุใช่ไหมเจดปีเจ็ดเดือนเจดวันไงอันนี้สงของการเจริญสติปัฏฐานเจดปีเจ็ดเดือนเจดวันถ้าเดินยืนนั่งนอนถูกจริงเนี่ยป่านนี้บรรลุกันหมดแล้วเนี่ย อันนี้บ่งบอกไหมว่าเพราะเราไม่มีข้อมูลที่ถูกก็เราเดินกันมามันเกินเจดปีไหมเพราะอนนี้สงการเจริญสติปัฏฐานเน่ยเจปีได้บรรลุอนาคาหรือเป็นพระอรหันนะเราไปดูที่ท้ายของสติปัฏฐานสูตรในสูตรที่สิของมัชฌิมานิกายมุนโบนาตเนี่ยไปดูเลยถ้าเดินถูกจริงๆนั่งถูกจริงๆนอนถูกเนะี่ยเจ็ดปีก็บรรลุแล้ว น, นี่บ่งบอกเลยว่าข้อมูลเราไม่แข็งแรงแต่เราไปเข้าใจผิดคิดว่ามันมันถูกแล้วไงถ้ามันถูกแล้วม่ต้องบรรลุสิ ใช่ไหมอันนี้แสดงให้เห็นชัดเพราะ เ, ร า, ะเราเดินไม่เป็นนั่นเองแล้วถ้าที่เราเดินยืนมาตลอดชีวิตเนี่ยอยงไม่บรรลุธรรมกราบนมัสการพระคุณเจ้านะคะแล้วการเดินการยืนในการปฏิบัติธรรมสิ่งที่ควรระมัดระวังมีอะไรบ้างความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างและข้อผิดพลาด ท, ที่นักปฏิบัติมือใหม่มักผิดพลาดกับการปฏิบัติเดินยืน เหล่านี้เป็นต้นมีอะไรบ้างเจ้าคะ่ะการเดินยืนเป็นต้นเหล่านี้อามายังไม่แนะนําก่อนเลยนะว่าให้ไปเดินตามในยะของคัตชันโตวาคัตชามิติระชานาติเนี่ยเมื่อเดินก็รู้ชัดบิบทที่เราเดินก่อนเราเดินอยู่เนี่ยนะเอางี้ดีไหมว่าสติปัฏฐานสูตรที่เคยบรรยายไว้นะ่ะหลายท่านที่บรรยายถูกก็พอมีไปฟังสูตรนี้ให้จบก่อนดีไหมนี่ใช่ไหม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 เป็นนักปฏิบัติมือใหม่ใช่ไหมเนี่ยพูดอยวว่างนี้เราอามาไม่ไม่อยากใช้คําว่าเป็นนักปฏิบัติกันเลยเลยเนะไม่ไม่เรียวกว่าเป็นนักปฏิบัติเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าพูดแล้วเนี่ยการที่เดินเนี่ยเนี่ยได้เป้าหมายการเดินเขาบอกว่าอะไรนะกําจัดอภิชาและโทมนาชใช่ไหมในโลกใช่ไหมแล้วแล้วเดียข้อที่จริงที่กําลังเดินอยู่เนี่ยเรากลับให้โลภะเนี่ยเป็นตัวผลักดันทําให้เราเดินเอาสิ ทุกวันนี้เราก็เดินกันแบบเนี้ยเช่นเราจะเดินไปซื้ออาหารกินตอนนั้นมันเกิดความอยากจะกินอาหารขึ้นมาโลภขึ้นมาใช่ไหมหรือเดินไปทํางานทั้งหลายความโลภก็ผลักดันเราตลอดเวลาแล้วเราก็เดินกันไปด้วยความโลภอย่างนั้ น, นจะเรียกว่านักปฏิบัติไหมก็ไม่เรียกอีกเมือบางคราวไม่พอใจด้วยในขณะที่เดินก็โทสะอีกอภิชาและโทมนัสมันก็เป็นปัจจัยผลักดันทําให้อยาบดเราเดินเรายืนเรานั่งเราน อ, นอนอยู่ทั้งวี่ทั้งวันอย่างนี้ย อย่างนี้จะไปเรียกว่านักปฏิบัติได้ไหมเนี่ยเอามาใช้คําว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามที่กิเลสจะสั่งนะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อขจัดอวิชาและโทมนัสอะไรเลยใช่ไหมแล้วแต่กิเลสจะบงการด้วัซ้ำไปถ้าพูดกันไม่รู้ชัดว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่ใช่กิเลสเนี่ยก็กิเลสสั่งให้เดินก็เดินพอกิเลสบอกว่าโอ้เนี่ยตอนนี้ร้อนแล้วอยากจะอาบน้ําเลยเกินก็นรีดตาลีตาเลือกไปแล้วไปอาบน้ํา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 แล้วก็บอกว่าอย่าเลยขอร้องเธอเราก็พยายามทําตามใจทุกอย่างให้เห็นใจเราบ้างเธอแล้วก็งอนงอกิเลสกันอยู่ตลอดเวลาด้ข้อแท้จริงเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นเขายังไม่เรียกว่านักปฏิบัติมือใหม่อะไรเลยนะถ้าเป็นนักปฏิบัติมือใหม่จริงๆเนี่ยนะก็เข้ามาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็เงี้ยวโสดลงสดับตั้งจิตรับรู้น้อมที่จะฟังธรรมว่าพระศ า, าสดาจะสอนว่าอย่างไรใช่ไหม พระมาฟังให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเมื่อเกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วก็รู้ด้วยว่ากรรมฐานใดๆที่จะเหมาะสมกับตนเองก็เริ่มฝึกหัดตั้งแต่ทานต้านศีนั่นเดี๋ยพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณไปถ้าจะต้องการจะพัฒนาไปสู่สติปัฏฐานทั้งหลายเหล่านี้นะก็ฟังคําสอนให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ไปวิจัยเข้าอควรในการยืนเดินและนั่งนอนเป็นต้นถ้าอย่างนี้น่าจะดีกว่ามั้ย เพราะถ้าหาก่านั่งวิจัยว่ายืนยังไงเดินยังไงนั่งยังไงนอนยังไงออกมากลัวมันจะเข้าไปลึกไปเดี๋ยวนี้ก็เลยกลายเป็นข้อมูลข้อมูลข้างบนก็ยังไม่ค่อยเบื้องต้นก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมเจาะเข้าไปลึกๆเข้าอีกก็ก็จะมีแต่ออกมาพูดอยู่คนเดียวหรือเปล่ากลัว <c oughs> <c oughs> ประเด็นตรงนั้นหรือเปล่า <c oughs> อันนี้ <c oughs> นี่ไม่มีเพราะจริงๆการการสอนในเรื่องของยาบทบับเนี่ย ก็ต้องเรียงมาตามลำดับเลยใช่ไหมตั้งแต่ตั้งแต่นั่นแหละคัดชั้นโตวาคัดฉามีติประชาณาติเอาพุทธพจน์มาตั้งปุ๊บแล้วอัตถกถาดีกามาขยายแล้วก็ไปเชื่อมโยงในอุเทศยังไงในนิเทศยังไงใช่ในคำสอนของพระเจ้าเรามาดูอย่างประโยชน์ในด้านของอนุสติที่พระ อ, องค์ทรงหมายก็ไว้บอกว่าเพื่อประโยชน์แก่ความนายเนี่ย น, เนิเพื่อนิพิธาเนี่ยอนุสติทุกข้อนี่นะ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 อธิบายไม่ได้หรือไม่ไมใช่งั้น น, นี่นะ่ะบอกเพื่อความหนายเนี่ยประโยชน์เลยนะประโยชน์ของการเจริญจาคานุสติและศีรานุสติเนี่ยเพื่อความหนายเนี่ยเบืเ่อนหน่ายละอานตตะเนวะตะนะเบื่อนหน่ายละอาเนวะ ต, ตะเห็นไหมว่าทานกนุศลศีลกุศลเนี่ยเป็นไปเพื่อความเบื่อนหน่ายละอาเนวะ ต, ตะโดยส่วนเดียววั ต, ตะคืออะไรกิเลสวัสกรรมวัฏและวิปากาวัฏนี่คือวั ต, ตะใช่ไหมหรือการเวียนว่ายตายเกิดถ้าว่าโดยสัตว์บุคคลเกิดแก่จิตตายก็คือการ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 การมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เบื่อหลายคนบอกเบื่อแล้วเบื่อตอนไหนตอนที่แก่ตอนที่เจ็บไปเห็นเด็กๆ ก, ก็ยังชื่นใจเออน่ารักน่ารักน่ารั ก, น, รกน่าชื่นชมทั้งๆ ท, ท, ที่อัดอันเดียวกันเกิดก็อันเดียวกันแก่ก็อันเดียวกันเจ็บก็อันเดียวกันตายก็อันเดียวกันทำไมยานปัญญามันไม่สะดุง้งสะเทือนทาไมความเห็นอย่างนั้นจึงไม่ไม่สะเทือนใจว่าสะเทือนใจ เห็นเด็กๆทีไรสะเทือนใจถามว่าเห็นทีไรนี่สะเทือนใจทุกครั้งไหมว่าภัยใหญ่ปรากฏเฉพาะหน้าเราแล้วคิดอย่างนี้จริงไหมพอเห็นเด็กๆเนี่ยเห็นอูแหวออกมาก็ภัยใหญ่ออกมาอีกแล้วโอ้โหน่ารักน่ารักจริงๆโอ้โหแกมจำม่าเลยอย่างนี้หรือว่าเดี๋ยวเขาแท้จริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเห็นไหมถ้าโดยอย่างนี้เป็นไงเนี่ยฮะเอาดูยังไงว่าสะเทือนใจเลยไหมเห็นแล้วเนี่ย ด้วยเห็นแล้วโอ้โหสวยจริงๆน่ารักโอ้ยตาใสแจ๋วอะไรอย่างงี้บป่ะเห็นเงี้ยป่ะนึกอย่างเงี้ยป่ะอ่ะลองดูจริงๆลองถามใจเราดูจริงๆริงดิอาจารย์ะดาเห็นแล้วเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมน่ารักเห็นไหมเนี่ยเห็นแล้วน่ารักอันนี้บ่งบอกถึงอะไรเนี่ยบ่งบอกว่าไม่นายไม่นายทีนี้ไอ้กรณีในลักษณะอย่างเงี้ยนะถ้าเรามองในลักษณะ่นอย่างเงี้ยเราบอกว่าจริงๆเราไม่นายเพราะ เรายังไม่เห็นเลยว่าเกิดกับแก่แก่กับเจ็บเจ็บและตายความหมายเดียวกันน่าเบื่อมากนะตายเดี๋ยวนี้ต้องไปอยู่ในครันต้องไปทรมานแล้วก็ต้องกว่าจะคลอดออกมาดิ้นทั้งร้องทั้งทรมานแล้วต้องมาทํากรรมใหม่ใช่ไหมต้องมาทํากรรมใหม่ถ้าอย่างนี้ยอมอย่างนี้เห็นอย่างนี้เป็นไงกับรูปเมื่อกี้กับภาพเมื่อกี้เนี่ยให้ความน่ารักเหมือนกันไหมเหมือนกันไหม ทั้งๆ ท, ที่คนเหมือนกันเนี่ยอถ้าอย่างเงี้ยแล้วบอกได้ไหมว่าน่ารักทําไมถึงบอกไม่ไม่บอกว่าน่ารักกันเอาสิแต่นนี้ทั้งๆ ท, ท, ที่อัดเดียวกันเลยนะเนี่ยเรื่องเดียวกันเลยนะเนี่ยและสภาพเดียวกันด้วยนะเนี่ยเพราะมีผมมีขนมีเล็บมีฟันนี่ยเนี่ยสภาพแต่พอเราเห็นสภาพอย่างนี้เราบอกว่าเราไม่น่ารักเลยเห็นสภาพน่าสียดสยองเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมที่จริงอันเดียวกันเลยเนี่ยอันเดียวกันแหละ อันนี้เขาถึงบอกว่าวัตตะมันมีภัยมันเป็นภัยใหญ่เนี่ยถ้าเรามองในลักษณะอย่างเนี้นะเราจะเห็นฉะนั้นในกรณีาการเจริญจาคานุสติศีลานุสติจริงๆท่านบอกว่าเพื่อความเพื่อประโยชน์แก่ความคลายกําหนัดเบื่อละอาวิราค้าก็คือเพื่อประโยชน์แก่ความคลายกําหนัดในวัตตะคลายก็คือการละนั่นเองเพื่อสํารอกก็คือเพื่อปราศจากไปจากกิเลสมีราคะโทสะโมหะมานาทิฏฐิ ว่าจะสำรอกไอ้สำรอกคือการอาเจเยนออกมาเนะี่ยสำรอกกิเลสทีนี้ตอนเนี้กิเลสมันไม่ถูกสำรอกใจเราเกิดทีได่ไร ก, กิเลสก็เกิดจิตเกิดขึ้นเมื่อไรคิดในเรื่องโน้นเรื่องนี้เมื่อไรเนี่ยความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินความลุ่มหลงความกโกรธความหงุดหงิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็เกิดนี่นะเพื่อประโยชน์แก่การทำกิเลสมีราคาเป็นต้นที่ดมมิให้ดําเนินต่อไปตามบอกว่า ถ้าเราเจริญจาค า, านุสติสีลานุสติพุทธามุสติเป็นต้นเหล่าเนี้ยเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อจะไม่ให้กิเลสมันดําเนินต่อไปรากตอนเนี้ยราคามันดําเนินอยู่ในใจเราตลอดโทสะ ก, ก็ดําเนินอยู่ในใจตลอดโมหะก็ดําเนินในใจอยู่ตลอดด้วยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แต่ถ้าเราเอามาเจริญเอามาลึกถึงจาค า, านุสติสีลานุสติเป็นต้นเหล่านี้ถ้าเราลึกเป็นนี่นะด้วยสติเนะี่ด้วยจาคานุสติสติที่ตามและลึกได้นี่นะจําได้คิดได้เนี่ย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 เพื่อกิเลส ท, ทั้งหลายมีราคะเป็นต้นเหล่านี้จะไม่ได้ดำเนินเนินต่อไปแล้วเพื่อปราศจากกิเลสมีราคะเป็นต้นนิโรธายะก็เพื่อดับกิเลสดับราคะโทสะโมหะแล้วก็เพื่อประโยชน์แก่การทำราคะโทสะเป็นต้นไม่ให้ดำเนินต่อไปเพื่อประโยชน์แก่การดับวัตต์